เพราะว่าผู้ที่ศีลดีเนี่ยเนี่ยถ้าคนรักษาศีลดีเนี่ยถามว่าเขาจะนึกถึงอะไรนึกถึงศีนใช่ไหมนึกถึงศีนเนี่ยเป็นกรรมฐานไหมเป็นเป็นศีลานุสติเนี่ยนียทีนี้เจ้าของผู้ประทานศีลให้เนี่ยผู้ใดพระพุทธเจ้าศีลนําออกจากวตาได้ไหมได้ก็ธรรมะคุณไงพรันานุสติไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไร ผู้ที่มีศีลเนี่ยนะศีลอยู่ในแผ่นดินปารบแผ่นดินก็เจริญกสิศได้เลยเนี่ยนะปารบถึงน้ำก็เข้ากสิศนีน้าต่อไปได้เลยถ้าผู้มีศีลดีจริงๆไม่สู้จะยากนักเนี่ยนะตอนน่อดีหนึ่งนะฮะคือ <c oughs> ผมยังเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในเพศสมณเพศแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างอย่างครบถ้วนนี่นะฮะผมเชื่อว่านั่นสุจริตสามพอที่จะเจริญติปฐานต่อไปนะฮะ เ อ, อเพราะว่ามนโนสุจริตเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่มีแล้วถ้ารักษาศีลอย่างดีถูกไหมครับแสดงว่ามนโนสุจริตมีแล้วน ะ, ะก็รักษาศีลได้ส่วนที่สำหรับคารวาะก็ไม่ได้เคร่งครัด น, นั้นแล้วจะไปถือแค่ว่าศีนห้าอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเนี่ยนะครับหรือว่าแค่ศีนแปดกระปุกก็เพลงหน่อยนี่ก็ก็ดูก็ยังไม่ค่อย ไม่น่าจะเพียงพอนะฮะสำหรับสุดจริตสามนะฮะไม่ทราบว่าในชั้นนี้จะมีความเห็นยังไงบ้างกำลังปิเนะดเถอมและกําลังทําะไรนั่นนะกําลังทําเทสิตแล์ละตอนนี้ต้องพลาดผ่านไม่ผ่านเนี่ยใช้ใครใช้ใมีความเห็นยังไงบ้างครับเพราะว่าผมชื่อว่าสุดจริตสามเนี่ยนะฮะตัวมโนสุดจริตเนี่ยยากยากกว่าเพื่อนเลย นะวโมโนสุจริตนี่นะฮะเพระเาะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้อยู่ในเพศของพระภิกษุท่านปฏิบัติตามศีลได้พบหมดเนี่ยนะฮะบริบูรณ์เนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่งานเล็กน้อยเลยจะเห็นว่าเป็นหนึ่งในสามของปีดกทั้งนะั้นหนึ่งในสามปีดกเนี่ยแสดงว่าพระองค์เนี่ยโอ้โหอุดช่องไม่หมดเลยใช่เนี่ยอยังไงท่านบอดตามนี้ได้แล้วก็โอ้โมโนสุจริตนี่พอสมควรทีเดียวผมนึกในใจอย่างนั้นนะครับ ควรจะคัดปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่ก็ของอีกเรื่องหนึ่งบอกยามีอยู่ผู้ใดไม่บริโภคโทษยาไม่ได้มาดูที่พระภิกษุท่านถามกรรมฐานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเพราะฉะนั้นแหละเธอจงชำระเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์เสียก่อนก็อะไรเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมเธอจักะกายะทุจริตเจริญกายสุดจริต บอกเลยนะว่าละกายทุจริตไปเจริญกายสุจริตนะจากละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตจากรละมโนทุจริตเจริญมโนสุดจริตนะดูก่อนพิสูจเมื่อใดแลเธอจักละกายทุจริตเจริญกายสุดจริตจักรละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริตจักรละมโนทุจริตเจริญมโนสุดจริตเมื่อนั้นเธอพึงอาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานสี ก็ตามสูตรนะนะพระพิสุกก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันในตอนท้ายอีกสูตรหนึ่งในงอังคุตรนิกายจตุ ก, การนิบาทก็กล่าวไว้ว่าศีลเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระบรรลุมรรคผลนิพพานนะก็สูตรที่กล่าวกวับเรื่องศีลเนี่ยสำคัญมาก <c oughs> แล้วช่วงนี้เราเรียน สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอยู่คุณบุญมีเป็นยังไงสัมมาวาจาเยี่ยมไหมไปพูดให้ใครลำบากใจหรือเปล่าพูดให้ตัวเองลำบากใจไหมถ้ามีก็ต้องส ม, มาทานว่าจงอย่าทำเช่นนั้นอย่างปัญญาสิกขาเนี่ยนะปัญญาสิกขาในองค์มาร์กเนี่ย ก็คือสัมมาทิฏฐิอันไหนสัมมาสังกัปปะสองสองมักเนี่ยเป็นปัญญาสิกขาถ้ากล่าวตามมักแปดนั้นพระผู้มีพระภาคแสดงปัญญาสิกขาและจึงแสดงสีลสิกขาสีลสิกขาคืออะไรคือสัมมาวาจาอันไหน สัมมากรมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะซึ่งสัมมาทิฏฐิกะสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะมันเป็นบาตรให้ว่าศีลจะดีหรือไม่ก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิกะสัมมาสังกัปปะในผู้ที่มีศีลดีอย่างนี้แล้วนะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาส ม, มาธินี่ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วใช่ไหมแต่ว่าสําคัญที่สุดว่าเมื่อรับอารมณ์เพราะทุศีลเนี่ยมันทูศีลโดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้เพราะความทูศีลก็อยู่ที่อารมณ์6อารมณ์หอารมณ์หกว่าไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพและธรรมารมณ์ใช่ไหม ถามว่าเมื่อมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนึกยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาสังกัปปะใช่ไหมไอตรงนี้คือสาระที่ที่จะต้องเจริญให้มันดีๆในเบื้องต้นไม่งั้น น, นี่ทุศีลหรือมีสีก็อยู่แถวแถเนี้ยมาดูว่าถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีห้าใช่หมหนึ่งกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสาม ฌานสัมมาธิฏฐิซึ่งมรกผลค่อยว่าอีกครั้งนึงสัมมาสังกปะนี่ก็มีสามเหมือนกันใช่ 1. นเนคขมะก็คืออโลพะสองอัพยาปาทะก็คืออโทสะแล้วก็าอาวิหิงสาก็คือการุณาสมมติว่าเมื่อมีอารมณ์1อารมณ์เช่นเห็นสีสีหรือเสียงหรือกลิน่นหรือรสก็ได้ ธรรมชาติของสีมีกี่สมุทฐานคุณเวลาวันมีกี่สมุทฐานก็ตัวคุณเน่ยสีของคุณเคยเวลาส่องกระจกนี่มีกี่สมุทฐา น, านอ่ากึ่งหนึ่งกรรมกรรมสมุทฐานดูได้จากอะไรบอกดูได้จากอายุอย่า <laughs> นีะนะ้อ่างนะีจิตตสมุทฐานดูว่าตอนเนี้ยกําลังเบื้งหรือเบื่งหรืออะไรนะ บูรหรือเบื่งอยู่บูดเบื่งอันเดียวกันนะเขียนยังไงเบื้องสริงเขียน <c oughs> เขียนไม่ค่อยถูกกันมันดีแล้วนะ <c oughs> แล้วก็หรือว่ากําลังยิ้มแย้มอยู่นะเอาเลยสองกระจกว่าเดียวทีนี้ถ้าเป็นอาหารนะอาหารก็ดูว่าช่วงนี้นี่มันอ้นวนท้วนหรือมันผอมลงถ้าเป็นอูตุ ช่วงนั้นก็ดูอากาศก็แล้วกันอากาศภายนอกกับภายในถ้าอ่ะนะถ้าจะทูศีลนะสมมุติถ้าเราก็มาดูว่าเรามีทิฏฐิยังไงกับสีอันนี้ดูนะเอากรรมมาเช็คดูกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐินี่เรามองเห็นไหมอย่างง่ายๆนะของมานี่มีผู้การเป็นตัวอย่างให้เห็นผู้การปั๊บเนี่ยกรร ม, มสกตามาเลย นะก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งกรรมเนี่ยอายุชีวิตตินซีเนี่ยดูจากอายุโอ้ผู้มีบุญมากอายุตั้งมอกเยอะๆเลยตั้งเจสแล้วอย่างเงี้ยนะแสดงว่าเฟรนตานาติบาตมาอย่างดีเพราะคนอื่นเนี่ยอาจจะตายไปตั้งหลายรอบแล้วถ้าศีลไม่ค่อยดีเนี่ยนะนี่ผลของศีลเนอายุยืนขนาดนี้แล้วจิตนะนะฟังธรรมก็โสมนัสเป็นต้นนะแล้วอาหารถ้าวานาันไหนอุโบสถก็มือเย็นก็ลดถ้าอากาศอ่ะ ก็แล้วอะถ้าไปตากแดดมาก็ตามสมควรอย่างนั้นนะอุณหภูมิภายในอุณภูมิภายนอกสีทีนี้ถ้าเป็นกรรมสกตาสามมาทิฏฐิล่ะเนี่ยนะผลของกรรมทําให้อายุยืนใช่ไหมแล้วเมื่อมีสีอย่างนี้แล้วทํากรรมใหม่อ่ะนะก็คือดูผลของกรรมเก่ากับกรรมใหม่เขาเรียกว่าผลอดีตเหตุปัจจุบัน เราก็มาดูว่าเหตุปัจจุบันนี่คืออะไรก็วิเคราะห์แบบนี้ถ้าเป็นวิปัสนาวิเคราะห์อะไรต่อไปถ้าเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็สีนี่หรือไม่เที่ยงเป็นต้นนะคือกรรมมศกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยยาตตะปริญญาเนี่ยบริบูรณ์อยู่ในคำนี้เพราะผู้ที่จะรู้กรรมและรู้กรรมจิตอุตตอาหารได้เนี่ยนะโดยเฉพาะแยกกรร ม, มสกตาได้ต้องแยกจิตตะสมุทฐานออกหแยก อาหารสมุทฐานแยกอุตุสมุทรฐานทีนี้กรรมก็ต้องอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลแล้วองค์ประกอบของกรรมจะมัชรูปมีอะไรบ้างองค์ประกอบของออตูชรูปอาหารชรูปจิตตชืรูปมีอะไรบ้างก็ถือว่าเข้าใจอย่างละเอียดแล้วท่านยาตะปริญญาก็ดีสองวิปัสนาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นต้นแล้วสีอันนี้ต่อด้วยกสินได้ไหมต่อด้วยธาตุกรรมฐานเป็นต้นได้ไหมคือกรรมพวกเหล่านี้เนี่ยนะ จตถามสุตตะเราพอไหมฟังมาว่ารู้วิธีการเจริญสิ่งเหล่านี้หรือไม่ทีนี้ต่อไปแล้วก็มาดูว่าหนึ่งคิดจะเอาหรือคิดจะออกเดี๋ยนะคิดต้องการสิ่งนี้หรือว่าคิดจะอะไรนะน้อมเข้ามาหรือว่าจงเป็นเช่นนั้ น, น, นแหละเียนะอันนี้หมายถึงทั่วๆไปเลยนะเข้าไปเห็นเอ่อหรือรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแป๊บเนี่ยน้อมเข้าหรือน้อมออก ก็ดูอันนั้นคือตัวตรวจสอบเนคข ม, มะๆๆเวลาผ่านตลาดนี่น้อมเข้าหรือน้อมออกอ่าน้อมออกกันนะก็ <ๆ S 1> ดีละๆๆๆ อ, อ, อันนับพิชชาก็ดีขึ้นๆๆๆทีนี้ต่อไปเป็นผู้จัดการสังคมอยู่หรือเปล่าก็มาดูถนนหนทางมันไม่เรียบร้อยเนี่ยนะรถคันหน้าคันหลังมันแสงซ้ายแสงขวาเป็นผู้จัดการเป็นตำรวจจราจรโดยสมัครสมัครเล่นหรืออะไรก็ว่าไปมีไหม ถ้าใครผิดพลาดนะก็ต้องให้ะอะไรตำหนิต้องว่าถ้าหน่อยต้องสั่งสอนซะบ้างอะไรพวกนี้นะก็เป็นเนี่ยพวกก็ดูว่าหนึ่งดูอะไรก็ไม่ขัดตาขัดใจไปหมดเลยอันนี้อัพยาปาธาดีอวิหิงสา ก, ก็ไม่ไม่ประสงค์เบียดเบียนผู้ใดโดยเฉพาะที่สำคัญมากก็ไม่ประสงค์เบียดเบียนตนด้วยใช่ไหมมันพวกนี้ก็เป็นเนคข ม, มวิตกอัพยาปาธาวิตกอวิหิงสาวิตก พันเครื่องมือในการรับอารมณ์นะเนี่ย6คุณธรรมนี่ตรวจสอบดูถ้าถ้ากรรมมักตาไม่ดีอกุศลวิตกเกิดวาจานี่เป็นมิจฉาวาจาถ้าพูดพลุ่งออกไปคําหนึ่งเลยนะหลุดคดําใดออกไปนะมิจฉาวาจาพฤติกรรมยกไม้ยกมือก็เป็นมิจฉากรรมันตะถ้าประกอบอาชีพก็เป็นมิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้น ของเราเนี่ยระหว่างเดินทางเนี่ยคุณอารีชื่อว่าประกอบอาชีพอยู่ไหมประกอบประกอบประกอบเพราะว่าเดินทางไปประกอบอาชีพก็นับเนื่องในอาชีพอยู่เหมือนกั น, พนเพ ร, รันธะเราเจริญกุศลวิตกจเจริญสัมมาทิฏฐิสาัมมาสังกปะได้ในอารมณ์ใดๆสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะก็จะดีตามนั้นถ้าคิดถึงสิ่งนั้นแล้วกรรมสกตาไม่มีกุศลวิตกไม่มี อย่าคิดนะว่าคําที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นสัมมาวาจาสมมุติถ้าเรานึกถึงใครด้วยหนึ่งปฏิเสธเรื่องกรรมใช่ไหมสองนึกด้วยโทสะแล้วเราพูดถึงนะีขอให้พูดชมก็ตามเถอะคาพูดนั้นเป็นมิจฉาวาจาพูดชมเพราะทอมไม่ได้เกิดจากความจริงใจอะไรใช่ไหม ก, ก็พูดเพราะว่าจะรักษาผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เถอะแต่นั่นคําพูดนั้นเป็นมิจฉาวาจา เราะในที่สุดมันอดบน่นอดว่าอดค่อนอดแค่อดตําหนิอดอะไรไม่ได้เลยนะในที่สุดหรือแม้กระทั่งคิดคิดเพื่อจะเอาสิ่งนั้นคิดเอานะคาพูดเนี่ยจะพูดดีขนาดไหนก็เป็นมิจฉาวาจาเพราะเบื้องหลังยิงจะเอาเดี๋ยนะเหมือนอะไรเหมือนเขาคนขายของให้ใช่ไหมเ้าบอกว่าเทคนิคการขายบางอย่างเนี่ยต้องต้องพูดให้ลูกค้ามาฟังเหมือนให้ลูกค้าฟังว่า คนขายของไม่ได้มาขายของอามาพูดคุยเฉยๆเขาว่างั้นเขาบอกว่าวิธีการขายที่ที่มันสูงสูงขึ้นระดับสูงๆเลยเนี่ยจะต้องไปคุยกับลูกค้าเหมือนไม่ได้มาขายของจนกว่าลูกค้าจะสั่งของเองนี น, นะก็อันนั้นก็แต่ก็คือการมไมิตกเบื้องหลังเอ๊ะทำยังไงว่าเบื้องหลังเหล่านั้นไม่มีด้วยการประพฤติเป็นสุดจริตสุจริตกรรมเนี่ยนะ อันนั้นแหละจึงเป็นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะที่นี่บางคนเขาสงสัยว่าทำไมฉันจะต้องทำดีขนาดนี้มันจำเป็นอะไรด้วยหรือจาเป็นไหมทำไมฉันจะต้องมาทำดีขนาดนี้นี่ไม่มีกฎหมายรองรับอะไรสักอย่างทาไมแต่ทาไมจาเป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะได้ขายของเยอะๆเพราะเรามีความสุขจิตนไปได้แพอล้วพอแล้ว ใช้เฉยจำดีที่สุดนะคือเราจะรู้ว่าวัตตนนี่มันมีโทษสิ่งที่เราต้องการประพฤติเนี่ยคือเพื่อจะออกจากวัตต์ใช่ไหมเกิดพระนิพพานเนี่ยนะซึ่งก็บอกว่าผู้ต้องการพระนิพพานต้องสแสวงหามรักอันนี้คือประตูนิพพานเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้ใครมาชมมาชังมาชอบไม่อะไรไม่ต้องการแต่เราต้องการแทงตลอดพระนิพานพานนั้นอริยมรรคทั้งแปดเนี่ย มรรคเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่สแสวงหานิพพานหรือถ้าเราต้องการนิพพานจริงๆเราต้องสแสวงหามรรคมรรคตัวนี้แหละคือประตูแห่งพระนิพพานเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดถ้าไม่ไม่ประพฤต์อันนี้ให้บริสุทธิ์นะสังคตะธรรมที่ไม่บริสุทธิ์จะบรรลุอสังคตะที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทันสังคตะธรรมเหล่านี้นะพวกศิขาสามเหล่านี้นี่เป็นสังคตะธรรมนช คนนี้เป็นสังคตะธรรมที่เป็นสังคต ธ, ธรรมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องพระพุทธจเจ้าบอกว่ามันเปะยะแปลว่าควรดื่มนะนะเป็นพรหมจรรย์ที่ผ่องใสควรแก่การดื่มคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแตกเนีย่ยนะใสมากต้องใสขนาดนีนะ้ถ้าใสสะอาดอย่างนี้แล้วจึงจะได้ดื่มอมะตะถ้าเบื้องถ้าเหมือนกับว่าถ้าจะประสงค์จะหายโรคต้องดื่ม ดิมยาที่ตราสะจากโทษโดยประการทั้งปวงแล้วจากหายโรคพระนิพพานนิปอุปมาเหมือนกับความหายโรคเนี่ยนะหรือพระนิพพานเปรียบเหมือนความอิ่มโภชนะอันนี้ต้องเป็นโภชนะชั้นดีนะได้เป็นโภชนะที่สะอาดจึงจะทำให้ให้สมควรมันถ้าหากว่าบางคนเนี่ยจะตั้งข้อแม้เงื่อนไขว่าก็ชั้นเป็นคารวาส ฉันจะต้องไปทําอะไรให้มันบริสุทธิ์มากมายปานั้นหรื อ, อยังก็ว่าคารวะไม่อยากบรรลุนิพพานกันเลเพราะว่าไอ้ข้อปฏิบัติอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคารวะหรือเป็นบรนตะชิตเพราะมักแต่ต้องเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าโสดาปฏิมักของพระภิสุกับคารวะไม่ต่างกันตัวโสดาปฏิมักเนียหรือถ้าคารวะบรรลุผ้ารหันกับพระพิสุบรรลุผ้ารหัน์ไม่ต่างกัน ความบริสุทธิ์ของมรรคต้องเหมือนกันเขาเรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าเสมอกันด้วยศีขามีศีขาเสมอกันพระโสดาบันเนี่ยนะจะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเสมอกับพระภิกษุที่เป็นองค์มรรคนะแต่ที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นมรรยาทของพระภิกษุซะส่วนใหญ่ที่ ท, ที่ที่ไม่ที่คารวะไม่มีนะส่วนใหญ่นี้เป็นมรรยาทของ ของพระพิสุที่กิริยาสมควรแก่การฉันอาหารของชาวบ้านนะพูดตรงๆก็คือว่ากิริยามารยาทที่สมควรต่อการบริโภคปัจจัยของชาวบ้านเชื่อไหมพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะร้อยละแปดเอร์ซนเี่ยเกิดจากคารวาสบนเกิดจากคารวาสว่าบอกว่าเนี่ยทำไมท่านใช้รองเท้าเหมือนคารวาสเลยฟ อ, องก็บัญญัติวินัยที ทำไมเข้าบ้านแล้กลางร่มเหมือนคารวาสเลยอ่าบัญญัติวินัยทีคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเกิดจากคารวาสบอกอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่สมควรเป็นต้นเนี่ยก็ ก, ก็วินัยก็เลยเยอะเนี่ยนะพอมาถึงตรงนี้ผมนึกถึงภาพได้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้เลยผมไปที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะก็ไปหาท่านเจ้าวาดท่านก็นั่งอยู่กันสององค์ที่ศาลาโล่งๆเลยพร้อมทั้งคารวาสที่นั่งอยู่ ด้วยความนอบน้อมด้วยแล้วท่านก็อแกะขนุนนะก่อนเที่ยงนะฮะแกะ <Okay. S 1> ขนุนก็กินไปด้วยเที่ยวไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะแกะ น, กกนั้นองนั้นกับที่นึงอันนี้อันี้ก็ยวงนึงนะกินไปด้วยนะก็นั่งธรรมดาเก้าอี้เนี่ยนะธรรมดาเนี่ยมันดูแล้วมันขัดตาเจ้ากลนครับ <Just> แต่ไม่รู้ว่ามัผิดนี้นายหรือเปล่าก็อยู่ในยังไม่ยังไม่เที่ยงกายัง อยู่สายๆนะฮะถ้าก็นั่งกินไปกินไปเนี่ยนะแต่ผมเข้าไปจะจะเข้าไปติดต่ออะไรสักหน่อยเลยไม่ค่อยอยากเข้าไปเลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับเกิดถ้าเป็นเกิดถ้าอาหารพี่นายก็คือถ้าปากมีคําข้านะก็ไม่พูดอ่นะเพราะพนัยเนี่ยเป็นศึกษาบทอยู่ข้อนหนึ่งนะเพิ่งทาศึกษาว่าเมื่อปากมีคําข้าวก็จะไม่พูดเป็นต้นนะคือขนุนก็ขนุนก็ไม่ได้ใส่จานอย่างนี้นะครับขนุนยังเป็น ถ<ข>ามซีกมามันยังไงเจ้าพลไม่รูโดยพระวินัยนะไม่ผิดอะไรก็ดแสดงว่าตอนนั้นแขกเขาไม่ได้ถือเคร่งขนาดคนไทยคนไทยก็ตัดดง้งแต่แตให้คนไทยโพลธ น, นาเนี่ยดูท่าจะลาบากนะวั น, น, นส่วนใหญ่เนี่ยนะดังที่กล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพระวินัยที่ที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยนะทั้งคารวะทั้งพระพิสูจ์เนี่ยตัวสาระของสิกขาเนี่ยจะเท่ากัน สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมม า, มาอาชีวะต้องแนวเดียวกันเพราะขึ้นเชื่อว่าทุจริญกรรมเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าที่เรียกว่ามิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมีอะไรเป็นสมุทฐานก็มีโลภะเป็นสมุทฐานโทสะเป็นสมุทฐานโมหะเป็นสมุทฐานนัถ้าผู้ใดล่วงอย่างนี้บาปทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะอยู่เพศไหนพระโกรธคารวะโกรธก็บาปเหมือนกันพระโลภคารวาะโลภ บ, บาปเหมือนกันเนี่ยนะ อันนี้โดยสภาวะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าสําหรับพระภิกสุเนี่ยพระพิสุพิษุณีเป็นต้นเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงดูแลเป็นพิเศษก็คือก็เหมือนกับว่าคนเหล่านี้มีชีวิตเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยต้องคุมพิเศษเห็นไหมหมายความว่าปัจจัยสี่ของท่านเหล่านั้นเนี่ยเนื่องด้วยพระองค์ทั้งหมดนั้นพระองค์ก็ดูแลให้ความเป็นไปได้ให้ให้พระศาสนาเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปได้ องก็จะดูแลเป็นพิเศษส่วนค า, ารวาสก็จะสอนธรรมะถ้าปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานต้องทาเหมือนกันหมายความว่ารับอารมณ์ใดต้องสุดจริตเหมือนกันนะไม่ไม่สมมติว่าเห็นอะไรต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเหมือนกันทีนี้ตัวกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาสังกปะตัวเนี้ยทำเ ป, เป็นเป็นสมุดฐานทําให้กุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อกุศลจิตมีวัตถุนั้นเป็นอารมณ์คําที่เปล่งออกมาก็เป็น สัมมาวาจาพฤติกรรมที่เข้าไปหยิบไปจับไปต้องเป็นต้นก็จะเป็นสัมมากรรมตะเพราะกายกับวาจานั่นแหละคืออาชีพกายวาจานั่นแหละคืออาชีพถ้าถามว่าเครื่องวัดสุดจริตเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดบอกว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสารเนี่ยนะอวิปปิสารนำมาซึ่งอ่ะนะปราโมทปราโมทนำมาซึ่ง ปีติปีตินำมาซึ่งปัสสัทธิปัสสัทธินำมาซึ่งความสุขความสุขนำมาซึ่งสมาธินี่นะอัละวันนี้จะเป็นพ้อยร้ต้องอกบทมาม ใ, หมมให้เต็มวันก็ให้เป็นก่อนแนละ้วค่อยคุยกันอตอนนี้เอาว่าข้อปฏิบัติให้เป็นผ้าละหันนี่เป็นยังไงมันจะข้ามขั้นไปหน่อยนะพันศีลที่ดีจริงๆเนี่ยนะก็นํามาซึ่ง สุรธรรมชั้นสูงเหล่านี้ใช่ไหมถ้าศีลดีจริงๆเนี่ยสมาธิก็จะเกิดขึ้นทีนี้สมาธิที่ดีอย่างนี้ก็เนื่องจากมีสติกับมีวายามะนี้ควบคุมดูแลอยู่อันเมื่อใดที่ทุจริต เ, เกิดขึ้นเนี่ยนะด้วยวัดกายก็ดีวากายก็ดีวาจาก็ดีอาชีวะก็ดีถ้าเป็นทุจริตขึ้นเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านทันทีเลยอันตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัววัดผลดีอย่างหนึ่งเหมือนกัน ถ้าจิตเจตสิกเกลื่อนกลนกระจัดกระจายแสดงว่ากายวาจา ม, มาไม่เรียบร้อยนนะแต่ถ้าสภาพจิตสงบมั่นคงเนี่ยนะพร้อมที่จะพิจารณาอริยสัจได้เสมอพร้อมที่จะเห็นอริยสัจได้เสมอนั่นก็แสดงว่าศีลดีเนี่ยนะศีลดีความบริสุทธ์เหล่านี้เนี่ยนะเราเราเป็นผู้ตรวจสอบเราเอง ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาตรวจสอบอะไรเราหรอกเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติดีชั้นสูงเลยนะเขาเป็นเรียกว่าหนึ่งเคารพตนเคารพตนจะไม่ดูหมิ่นตนในความปฏิบัติดีของตนนึกในแง่ใดโดยประการใดก็ตาหนิตัวเองไม่ได้เนี่ยนะไม่รู้สึกตาหนิตัวเองเลยอันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีอย่างแท้จริงนว่าไม่มีความคดทางกายวาจา หรือความคดทางใจของตัวเลยก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีก็ไม่เคยขายของแล้วไม่ิดจะขายของมุกี้ก็ถูกึงปไม่มตก็ก็ <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> ไร <c oughs> เป็นอาชีพค้าขายไม่ได้ ดีแล้วดีแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องประกอบอะไรสักอย่างอยู่บ้านแล้วนะนั่นก็สําคัญมากเลยนะจริงๆรงิสิกขาสามเหล่านี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าในบรรดามรรคทั้งหมดเนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือตัวทิฏฐิตัวทิฏฐิเนี่ยนะอะทิฏฐิใดที่เป็นไปตามกรรมมัสกาสาัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิความคิดใดที่เป็นเนเข ม, มวิตกอัพยาบา ตกอาวิเหิงสาวีตกอันนี้คือความชอบสัมมาสัมมาตัวนี้แปลว่าชอบหรือแบบไทยๆก็คือถูกต้องเนี่ยหรือแปลว่าไม่ผิดก็ได้หรือแปลว่าประเสริฐก็ได้เนี่ย ในสิ่งเดียวกันเนี่ยนะในสิ่งเดียวกันเนี่ยมีในชีวิตเป็นจริงกับมีในในสุตะคนละอย่างกันคือมีในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยนะหมายคําว่ารับอารมณ์ใดปั๊บก็ความเห็นอันนี้มีมาเลยอนะเช่ น, น, นสมมติว่าพูดง่ายๆว่าลืมดูหน้าเพื่อนนี่เห็นปั๊บกรรมมสกตามาเลยถ้ามีกรรมมสกตาดีเท่าไหรนะ่นักกุศลวิตกมันจะดีเท่านั้น เพราะถ้าอากุศลวิตกเกิดขึ้นเช่นถ้ากามวิตกจะต่อด้วยทุศีนอะไรเขารู้เลยเนะความโน้มเอียงของเขาเนี่ยรู้เลยถ้าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นจะทุศีลอะไรขึ้นมาเนี่ยเขารู้เลยถ้านึกเบียดเบียนขึ้นมาเป็นวิหิงสาวิตกต่อด้วยอะไรกรรมมศกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยวินิจฉัยได้หมดเลย มันผู้ที่ปฏิบัติศีลในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยหมายถึงว่ารับอารมณ์ไดแล้วนึกถึงศีลหาตัวนี้ได้เห็นปั๊บนึกถึงศีลได้เลยเห็นคุณมูลมีปั๊บนึกได้เลยนะนะตอพยาบาทนะอะไรจะเกิดขึ้นนะนะสมมติถ้าเห็นคุณมุลมีปั๊บโทระเอาต้องตําหนิ ก, กันหน่อยตําหนิ ก, ก็ใช้อะไรกาว่าไปก็ทุจริตทางวาจานะนะก็จะเป็นทุตเจริญทางวาจาเพราะถ้าดูคุณมุลมีก็ให้เมตตาเข้าไว้ น น, นคุณนีก็เมตตาตัวเองด้วยน น, นก็อย่าไปประส์เบียดเบียนแกนเลยนันไงแกจะไปตามกรรมของแกเองญญเพราะว่าถ้าถ้าเราสมาทานไ อ, ไอตัวกุศลสูตรจิตเหล่านี้ไม่ดีนะอยากคิดเลยว่าข้างหลังข้างหลังจะดี พระเท่าที่สรุปว่าคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่ตัวเนี้ยเป็นประมาณพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเนี่ยคือสุตะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปารโตโคสะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาทั้งหมดเพื่อให้เราเกิดโสตะเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิเราจะได้แยกเป็นว่ากรรมสกตากับไม่กรรมสกตาเป็นยังไง นะถ้ามีกรรมสกตาอย่างเดียวปั๊บเนี่ยนะมันจะมองวัตตาออกเลยแล้วคิดยังไงต่อไปเป็นกุศลวิตกหรืออกุศลวิตตกเพราะทั้งทิฏฐิกะสังกะปะนะมันจะเป็นที่มาของคำพูดเนี่ยนะใครพูดสิ่งใดมากแสดงสองทิฏฐิกะสองสังกะปะมาถ้าทางกายนะกรรมมันตาของเขาเนี่ยดูไดจากอะไรรู้ไหมเครื่องแต่งตัว เพราะว่าการประกอบอาชีพมันมีสัญลักษณ์ไงเครื่องแต่งตัวนี้บอกเลยว่ากรรมมันตะของเขาอะคืออะไรบอกหรือไม่บอกหมอบอกไหมในโรงพยาบาลเนี่ยเขามีเครื่องแต่งตัวพอวัดได้นี้เป็นหมอนะ้่นี่เป็นพยาบาลนะั่นี้เป็นคนเข็นรถนะอะไรเนี่ยบองออกไหมดูจากเครื่องแต่งตัวแล้วดูออกเลยไหมทหารเนี่ยดูออกเลยไหมว่าเครื่องแต่งตัวแบบนี้ยศระดับไหน หรือต่างจากอาชีพอื่นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยดูจากเครื่องแต่งตัวแล้วจะดูกรรมันต์ต่ออกยิ่งสมัยนี้นะแม้แต่บริษัททั้งหลายก็จะมีชุดแบบฟอร์มมันเหมือนกันไปหมดอ่ะนะลักษณะเนี้ยพวกเครื่องแต่งตัวข้าวของเครื่องใช้ก็บอกกรรมันตะได้เลยถ้าบอกกรรมันต์ก็เท่ากับบอกอาชีวะในตัวนะแต่ถ้าเป็นวาจาเนี่ยวาจาเนี่ยเป็นตัวบอกถึงทิฏฐิของเขาเออสังกปากกับทิฏฐิถ้าตัววาจานะ คำใดที่เขาพูดพลุ่งออกมาจากสิ่งนั้นเนี่ยบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่คิดเป็นกุศลสังกัปปะหรืออกุศลสังกัปปะสังเกตอย่างหนึ่งคือเวลาเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งนะเช็คได้เลยว่ากุศลหรืออกุศลสังกัปปะเป็นสมุดฐานเพราะว่าวิตกวิจารเป็นเหตุใกล้ของวาจาต่อวาจาถ้าคิดเป็นอกุศลก็จะพูดด้วยอกุศลถ้าคิดเป็นกุศลก็จะพูดด้วย กุศลพันจามินีต้องไปฝึกกุศลวิตตกให้มากๆจเจริญกรรมสกตาเอาไว้เยอะๆถึงเืองเรแต่ตัวมเสื้ออยูุ่เดียวเนี่ยใส่ทุกวันดีแล้วดี ล, ดลคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องช่วยดูแลเพราะเดี๋ยวไปเก็บเปรี้ยราดเขาตามเช็ดเดี๋ยวก็นึกว่าผ้าเช็ดตัวอะไรสักอย่างก็จะเดือดร้อนอีกเหมือนผ้าอะไรไมีอยู่ทุกเดียวนไม่เหมือนดูยังไงก็ไม่เหมือน คนตาบอดอาจจะดูเหมือน